อาอีกแล้วต้ประหลาดใจไปครั้งที่สองขอของประหลาดก็ตั้งอยู่อีกดั้งวางอยู่ตรงที่เดียวกับวันก่อนซะด้วยคงเป็นอาหารเหมือนอย่างวันก่อนอีกแล้วแ่ะของคราวก่อนยังไม่ได้กินเลยเฮ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่อาหารอย่างที่คิดแต่เป็นผ้นุงไหม่เนื้อละเอียดสวยงามผ้าผืนนี้ราคาสูงมาก ดูก็รู้ว่าท ร, รมาจากแคว้นกาสีผู้ร่ำรวยเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้ใช่อ๋อมีข้ามาทุปายาิอีกด้วยขาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็นจดหมายตามเคยคราวนี้เขียนว่ายังไงนะเทรว่าตะฉันรู้สึกเสียใจที่เธอไม่บริโภคอาหารที่ฉันให้ฉันคิดว่าเธอคงดังเกยียจฉันแน่นอน แต่เอาเถอะถึงเธอจะรังเกียจฉันก็ไม่ว่าอะไรฉันพอใจแล้วที่ได้ให้สิ่งนี้แก่เธอเธอจงรับผ้าผืนนี้ไว้ฉันสงสารเธอที่เห็นนุ่งผ้าขาดกระลุกกระริงเธอจะใช้รละเก็บไว้อีกก็ตามใจผู้หวังดีแปลกไม่บริโภคอาหารเหล่านั้นผู้หวังดีก็รู้ผู้รู้เรื่องนี้ดีก็มิได้นาทาสีเท่านั้น หรือว่าผู้หวังดีก็คือนางทาสี คืนนี้เป็นคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงสาดแสงสุกสกาไปทั่วเป็นคืนที่สวยงามจนทําให้นอนไม่หลับต้องมานั่งอยู่คนเดียวริมสระท่ามกลางความงานและความเงียบแห่งรัตติกาลสายลมยามดึกโชยมาเป็นครั้งคราวพร้อมด้วยกลิ่นหอมเย็นของโดอกโบมุสเสียงเพลงดัง แ, แว่วมาเป็นครั้งคราวจากหน้าต่างประสาท เดินหายสายลมและเสียงเพลงน่าจะทำให้มีความสุขกลับเต็มเร็จความระทมทุกข์คิดถึงพ่อแม่คิดถึงโคนลนมและฝั่งแม่น้ำอจิราวดีอยากกลับไปหามันอีกไปอยู่ภายใต้อ้อมอกอันอบอุ่นของพ่อแม่เหมือนเดิม เดวดตาเวตานั่นเธอใช่ไหมใครรียกเธอจริงๆนั่นแหละฉันเองใครเนี่ยคลุมผ้าสีดำแวกพุ่มไม้เดินตรงมาหรือว่าเป็นคนร้ายก็ต้องเตรียมตัวต่อสู้กันก่อนนะถ้าไม่ใช่คนร้ายก็อาจจะเป็นปีศาจเธอคงตื่นเต้นตกใจมาก ที่นี่ที่ปีศาจหรอกอย่า ก, กลัวไปเลยถ้าท่านมาจากปีศาจแล้วท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมจึงมาที่นี่ในเวลาค่ำคืนอย่างนี้เธอจำเธอไม่ได้เหรอจําไม่ได้เลยจริงๆก็ท่านเอาผ้าคลุมหน้าคลุมตามิดชิดเอาอย่างนั้นแม้แต่เสียงเธอก็จําไม่ได้เสียงอย่างนี้ดูเหมือนจะเคยได้ยินมาแล้วแต่นึกไม่ออกว่าได้ยินที่ไหนเธอลองนึกดูให้ดีบางที่อาจจะนึกออก ทำยังไงก็ดึกไม่ออกเสียเวลาเปล่าๆถ้าอย่างนั้นฉันจะเอาผ้าคลุมออกให้เห็นนี่ไงล่ะลีลาวดีลีลาวดลีลีลาวดีจริงๆเหรอเนี่ยถูกแล้วฉันเองลีลาวดีอย่าเรียกชื่อฉันดังนะ เดี๋ยวคนจะได้ยินลีลาวดีท่านมาทำไมในเวลาค่าคืนเช่นนี้ก็าม่เยี่ยมเธอนะสิมาเยี่ยมข้าพเจ้าเป็นไปได้ยังไงวันน้าพราหมณ์สูงส่งมาเยี่ยมเด็กจันทานเดนมนุษย์ข้าพเจ้าฝันไปกระมังเนี่ยเปล่าเลยเธอไม่ได้ฝันกับเรวตะที่เธอเห็นอยู่ในขณะ น, นี้เป็นความจริงขจ้ามาเยี่ยมเธอ อย่าพูดมากไปหน่อยเลยเรานั่งคุยกันดีกว่านั่งคุยกันสงสัยอะไรล่ะดูข้สี่ทำเป็นงงนั่งคุยกันที่ขอบสระนี่ล่ะออย่าจับแขนแค่นี้ทำไมต้องตกใจด้วยอ่ะแ้านั่งจะถอยนี้ไปไหนเดีย๋ยวตกขอบสระไปหรอกเขามานั่งใกล้ๆนี่อย่าได้ลาวดีอย่าลืมว่าข้าพเจ้าเป็นเพียงเด็กจันทนันอย่าทําให้สิริของพราหมณ์ ต้องมัวมองลงเพราะข้าพเจ้าเรอว่าตานี่แปลกคนจริงเรื่องกูสติสตังไม่ดีซะแล้วเพือเจอาไม่เป็นเรื่องเป็นราวสงบสติอารมณ์หน่อยสิเป็นไงเขามีความรู้สึกเป็นปกติหรื อ, อยังข้าพเจ้าสงบสติอารมณ์ได้แล้วลีลาวดีแล้วเธอเชื่อหรือยังล้วว่าฉันหน่อยเยี่ยมข้าพเจ้าเชื่อแล้วแต่นั่นแหละ เป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าคิดไม่ถึงทำไมจะต้องมาเยี่ยมข้าพเจ้าก็เพื่อฉันสงสารเธอนนสิลีลาวดีสงสารข้าพเจ้าฉันสงสารเธอจริงๆเดยว่าตะเธอถูกแม่และพี่กันิกาคมเหง มันเป็นการกระทําที่ฉันทนเห็นไม่ได้จึงหาทางที่จะช่วยเหลือเธอมานานแล้วแต่ก็มองไม่เห็นทางที่จะทําได้โ ด, ดยเปิดเผยนอกจากช่วยเหลือเธอในทางลับช่วยเหลือทางลับถูกแล้วจึนฝากอาหารและเครื่องนุ่งห่มกับนางคาสีมาให้เธอสามสี่ครั้งหวกว่าเธอคงได้รับท่านคือผู้หวังดีข้าพเจ้าเพิ่งเจรู้เดียวนี้เองไม่นึกมาก่อนใช่ไหมว่าจะเป็นฉัน ข้าพเจ้าไม่เคยนึกเลยขพาะฉันไม่ได้อยู่ในสายตาของเธอนั่นเองช่างเถอะอย่าพูดถึงสิ่งนั้นเลยถ้าดูน้ำในสระสิเป็นละลอกน้อยๆเมื่อถูกสายลมอ่อนๆพัดทำให้เงาพระจันดกระเพื่อมดูดดเงินที่กำลังละลายควางอยู่ในเบ้ากลิ่นหอมเย็นของดอกโกงดช่วยมาต้นอโศกดิมสะสะบัดใบสู้ซาดต้อนรับสายลม เป็นธรรมชาติที่น่าชื่นชมมากท่านคงชอบชอบสิชอบมากทีเดียวนานๆจะได้มีโอกาสอย่างนี้โอ้ตาจริงเธอจะจะลืมเธอคงหิวมากสินะเรว่าตาฉันมีอะไรมาฝากเธอด้วยล่ะนี่ไงรับไวบ้บ่อยๆพวกเธอวันหลังถ้ามีโอกาสฉันจะนำมาให้อีกอสิ่งไรสวบสาดในพุ่มไม้มันก็ว่ามีคนอยู่ที่นั่น ที่ต้องไปก่อนละจะจะอยู่คุยกับเธอนานๆแต่อิสรภาพที่จะทําไม่มีซะเลยจําไม่ว่าถ้าในโลกนี้ไม่มีใครเห็นใจเธอฉันมี่แหละจะเป็นผู้เห็นใจเธอลาก่อนดีลาวดีไปแล้วเราไม่ได้ฝันไปอย่างแน่นอนดีลาวดีมาหาจริงๆเธอบอกว่าสงสาร ที่ต้องได้รับความลำบากเธอไม่ไังเกลียดคนจันทร์นอย่างเราหรอกเลยเธอไม่กลัวจะแปดเปื้อนความอภิมงคนหรอกเลยเธอคงไม่รังเกียจถ้ารังเกียจเธอคงไม่อุตส่าห์ลงมาหาในยามวิการอย่ญี้ถ้าอยางนั้นเธอเป็นวรรณพราหม์ที่ตลาดที่สุด หลังจากพบดิลาวดีในคืนนั้นแล้วรู้สึกสบายใจขึ้นอย่างผิดปกตินางทาสีคงนำอาหารพ่านุ่งห่มและอื่นๆจากดิลาวดีมาให้อยู่เสมอไม่ได้ขาดคราวนี้กินโดยไม่ได้เคลื่อบแผลงสงสัยทั้งอยากจะพบเธอใจจะขาดอยากก้มลงกราบแทบเท้าขอเธอและขอบพระคุณเธอ ไม่สมกับความเอื้ออารีของเธอแต่เธอไม่มาปรากฏตัวให้เห็นอีกเลยดอกโกมุตในสักกำลังขยายกลีบบานสะพรั่งมองลานตาไปหมดเหล่าพรมรต่างโผบินเข้าครุกเกสรจากดอกนี้ดอกโน้นอย่างสำราญใจตอนนี้ถึงแม้จะอยู่คนเดียวในสวนอันแสนสงบ เขาไม่รู้สึกว่าว้าเวเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วเพราะรู้สึกเหมือนกับว่ามีลีลาวดีมานั่งอยู่แนบข้างทุกเวลาดอกโกมุตเหล่านั้นสวยมากถ้าให้ของขวัญแกลีลาวดีคงจะดีไม่น้อยเอาละจะลงไปเก็บเดี๋ยวนี้หละ ที่สวยงามมัดรวมเป็นกรรมใหญ่เอาไว้ให้เป็นของขวัญแก่ลีลาวดีเธอคงจะดีใจมากแต่ว่ามันเป็นของเด็กจันทานผู้มีค่าต่ำต้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานลีลาวดีผู้สูงสติจะยินยอมรับของฝากละเนร อ, อย่าแลว เวกมันทิ้งโลปเดสาน้ำตามเดิมดีกว่านี่ความทิ้งไปหมดแล้วเสียตายก็เสียไดย้เทวตารีลาวดีดูชาตังเธอไม่ตื่นเต้นเลยที่พบฉันถูกแล้ว ข่าวนี้ข้าพเจ้าไม่ตื่นเต้นแต่ความยินดีปรีดาล้นเหลือทีเดียวจริงเหรอเดวตาทำไมข้าพเจ้าจะต้องโกหกที่พูดวันนี้เป็นความจริงพบท่านก็ดีแล้วลีลาวดีข้าพเจ้าใครจะถามปาัญหาท่านสักข้อหนึ่งท่านมีปัญหาอะไรจะถามเหรอเดวตาอาสิมีอะไรก็ถามมาเลยท่านรับปากได้ไหม ก็จะตอบคําถามข้าพเจ้าด้วยความจริงใจฉันรับปากฉันจะตอบคําถามเธอด้วยความจริงใจท่านเป็นผู้มีวั น, นพราามสูงส่งเหตุใดจึงยอมลดเกียรติลงมาหาข้าพเจ้าท่านไม่รังเกยียจข้าพเจ้าหรอกเหรอเรวัตเธอไม่ควรมีความสงสัยใดๆอีกต่อไปก็เท่าที่ฉันมาครบหาสมาคมกับเธอนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าฉันไม่รังเกยียจเธอ ถรังเกียจฉันคงไม่มาหาเธอแน่ประหลาดมากเธอว่าประหลาดอย่างนั้นเหรอเรวตะถูกแล้วเป็นเรื่องที่ประหลาดมากท่านเป็นวันนาพราม์อันประหลาดขณะที่คนวันนาเดียวกันกับท่านทั่วปัตตพีระเกียรตข้าพเจ้าอยากจะถามท่านอีกครั้งว่าเหตุใดท่านจึงไม่รังเกียจข้าพเจ้าเรวัตะ ขึนมองไม่เห็นเหตุผลเลยว่าทำไมจึงต้องรังเกียจเธอหรือรังเกียจคนจันทานทั่วไปคนเรานั้นถึงจะสมมุติที่ต่างกันโดยวันนะโดยชาติโดยสกุลก็ตามความเป็นจริงแล้วก็คือคนเหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันต่างรักชีวิตไม่คิดอยากตายปรารถนาความสุขสบายเกลียดกลัวต่อความทุกข์เช่นเดียวกันคนจะดีหรือชั่วสูงหรือต่า ไม่ได้อยู่ที่ชั้นวันนะแต่อยู่ที่การกระทำของแต่ละบุคคล น, นั่นเองคนวันนะสูงแต่ทำชั่วก็ชื่อว่าต่ำคนวันนะต่ำแต่ทำความดีก็ย่อมชื่อว่าสูงรัตนชาติมีแก้วไผ่ทูลแม้ตกอยู่ในเปื่อยตมก็ย่อมเป็นของดีใครๆก็ปรารถนาสร้างุพแม้จะบรรจุไว้ในโลงทองตั้งประงานไว้บนแท่นอันงามวิจิตร ก็ยังเป็นของเน่าใครๆก็ไม่ปรารถนาะฉันคิดเช่นนี้จึงไม่รังเกียจเธอลีลาวดีเลยถ้อยคําของท่านช่างไพเราะสน่หกะไรตลอดเวลาของข้าพเจ้ายังไม่เคยได้ยินคําพูดเช่นนี้เลยเคยได้ยินแต่ถ้อยคําว่าเจ้าคนเด่นตายเจ้าคนไม่มีวันนะเจ้าคนมีค่าตามกว่าเดรัจฉาน ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์กับเขาคิดว่าตัวเองเป็นเช่นตัวอัปมงคลเข้าบ้านใครจะต้องถูกขับไล่สายส่งข้าพเจ้าเพิ่งจะรู้คุณค่าของตัวเองวันนี้ลีลาวดีเลยท่านเป็นเทพเจ้าผู้อวตารลงมาช่วยข้าพเจ้าอย่างแท้จริงจึงของกราบลงแทบเท้าท่านลุกขึ้นเถอดเลวะตะคนเหล่านั้น มัวไปมัวเมาหลงไหลอยู่กับแผ่นป้ายที่เขาแขวนไว้ที่คอจะลืมสภาพอันแท้จริงของตนไปถ้าคนปลดป้ายออกจากคอแล้วคบ้าสมาคมกันปามสภาพที่แท้จริงก็ยร้าระหว่างชาติอาระยะก็จะไม่มีความสงบสุขจะปกคลุมทั่วชมพูทวีปเอาเธอถึงคนอื่นเขาจะไม่ยอมปลดป้ายออกก็ตามขอให้เราทั้งสองจงปลดออก เราเป็นมิตรที่ดีกันต่อไปอาล่ะคืนนี้เราคุยกันแค่นี้ก่อนฉันลงมานานแล้วคนบนประสาทจะสงสัยเอาได้คืนพรุ่งนี้ฉันจะมาหาเธออีกข้าพเจ้าจะตั้งตารอคอย นี้เราได้รู้แล้วว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเรลาวดีให้คำรับรองเช่นนั้นเราก็เป็นมนุษย์ไม่ิช่สัตว์เดรัจฉานขยันจริงนะเรวตะเห็นท่านทำงานตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ยอมหยุดพักหน้าตาก็ไม่แสดงว่าเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายมีแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสสุขใจอะไรนักล่ะถูกแล้วข้าพเจ้าสุขใจมากเลย ความสุขใจนี่แหละทํางานเลยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยในลาบดีฝากอะไรท่านไหมคข้าพเจ้าล่ะนายท่านไม่ได้ฝากอะไรหรอกความจริงไม่จําเป็นต้องฝากมีอะไรนายท่านก็ต้องเอามาให้ท่านเองค่านี้ผมต้องมาอีกแล้วข้าพเจ้าก็ต้องไปคนดูต้นทางตามเคย เบอบ้างไหมที่ฉันลงมาหาเธอบ่อยๆข้าพเจ้าไม่เคยนึกเบื่อกลับเป็นความสุขใจเสียดีซ้ำวันนี้ฉันอยากบอกเธออย่างหนึง่งอะไรเหรอถึงจะไม่มีชาติรรณะระหว่างเธอกับฉันก็จริงแต่คนอื่นๆเขายังมีอยู่แล้วยังไงจะเปลียนใจแล้วใช่ไหมปล่าวรอกฉันเพียงแต่จะบอกกับเธอว่าเราจําเป็นต้องอาศัยคนอื่น เพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นมิตรกันเฉพาะยามราตรีส่วนกลางวันเราต้องเป็นศัตรูกันเพื่อเอาใจคนอื่นและเพื่อความปลอดภัยของเราขอนี้ข้าพเจ้าทราบดีอยู่แล้วท่านไม่ต้องวิตกข้าพเจ้าจะแสดงละครให้ดีที่สุด เรียบร้อยแล้วนายท่านเจ้าเช้าอยู่ทําไมล่ะไปจนเถอะเดี๋ยวจะดึกป่านนี้เรวตัตตะคงมานั่งคอยอยู่ที่ขอบสะแล้วเห็นนายท่านยังไม่ไปเห็นทีจะกระวนกระวายใจไม่น้อยนะนายท่านดูแล้วน่าสงสารพอเห็นเราดีอกดีใจมากตั้งแต่ได้คุยกับนายท่านรู้สดชื่นแจ่มใสขยันทํางานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่ว่าเมื่อตอนกลางวันข้าพเจ้าเห็นแล้วยังสงสัยไม่หาย ก็จะถามนายท่านก็ไม่มีโอกาสจะสงสัยอะไรราชาสีเขาพระเจ้าเห็นนายท่านเดินสวนกับเรวัตตะท่านนายท่านยกผ้าขึ้นปิดปากปิดจมูกสแสดงว่าังเกียดอย่างมากนายท่านถาเช่นนี้เห็นทีเรวัตตะจะต้องน้อยใจแน่เลยไม่หรอกนั่นเป็นเพียงการสแสดงละครเท่านั้นแทงละครเขาพระเจ้าไม่เข้าใจต่อหน้าแม่และพี่สาว เราต้องทําเป็นดังเกียรตเพื่อจะได้ไม่สงสัยเรื่งนี้เราพูดกับเรวัตตะเป็นที่เข้าใจแล้วกลางวันเราเป็นศัตรูกลางคืนเราเป็นมิตรที่ดีต่อกันข้าพเจ้าเข้าใจแล้วแมตอนนั้นข้าพเจ้าใจหายหมดมนึกว่านายท่านกับเรวัตตะคงผิดใจกันที่ข้าพเจ้าเป็นยามคอยดูต้นทางให้เห็นทีจะเสียเวลาเปล่าเสียเวลาเปล่าเจ้พูด อ, อย่างนี้หมายความว่ายัางไงทาศี นายท่านบอกเข้าไปเจ้าก่อนได้ไหมเท่าที่นายท่านแอบไปพบเรวัตต์ที่ริมสะโกมุตแทบทุกคืนจนย่างเข้าปัดฉิมยามจึงกลับเครื่องประสาทนั้นนะ่ะเพราะอะไรเกินสงสารเรวตัตต์แต่เข้าไปเจ้าว่ามากไปกว่านั้นมากไปกว่านั้นอะไรความรักที่นายท่านความรักนายท่านรักเรวัตตะ ก็กำหนดมากนะเรวตะถึงจะช้าแค่ไหนข้าพเจ้าก็รอได้และตั้งใจจะรออยู่ทั้งคืนรอแล้วท่ไม่มาล่ะนั่นไม่ทําให้ข้าพเจ้าเสียใจเป็นความสุขใจที่ได้ซ้าที่ได้รอเพราะรู้ว่าที่ท่านมาไม่ได้ต้องมอีอุปรสรรคแต่ว่าคืนนี้ท่านทําให้ข้าพเจ้าประหลาดใจแล้วสิฉันทําอะไรให้เธอประหลาดใจเรวตะ ทุกครั้งที่ท่านลงมาหาข้าพเจ้าจะต้องมาพร้อมกับความแจ่มใสร่าเริงชวนคุยโน่นคุยนี่แทบไม่หยุดปากแต่วันนี้ท่านแปลกไปนอกจากจะเศร้าหมองแล้วยังต้องถอนใจอยู่อีกแสดงว่ากำลังไม่สบายใจเกี่ยวกับอะไรบางอย่างเป็นแน่เธอเพิงสังเกตนะเรวตาถึงไม่สังเกตก็รู้ท่านมีเรื่องทุกข์ใจอะไรเหรอ ดีลาวดีโปรดบอกข้าพเจ้าด้วยเพื่อว่าข้าพเจ้าจะมีทางช่วยเหลือได้บ้างขอบใจเธอมากเรวตาเรื่องพวกในใจมีจริงแต่เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นข้าพเจ้าพอจะรู้ได้ไหมเธออยากรู้ทิงก็ไม่ปิดบงังคือที่เราคุยกันวันนั้นตอนนี้ได้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาแล้วลืมแล้วเหรอที่ทิ้งเคยพูดว่าสักวันหนึ่งเรื่องของเราคนอื่นจะต้องรู้ และนี่ก็รู้กันแล้วใครรู้แม่และพี่สาวของฉันลีลาวดีนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยซะแล้วแต่เกี่ยวกับชีวิตจิตใจของเราทั้งสองทีเดียวข้าพเจ้าจะช่วยท่านได้ยังไงดีเธอไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกเววิตาเรื่องนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของฉันึ่งบอกเธอแล้วไงเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะลีลาวดี มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของวันน่าพรามณ์ทั้งหมดท่านจะถูกตราหน้าว่าเป็นผู้ทรยศต่อชาติทรยศต่อตระกูลแล้วอาจจะอาจจะอะไรเดวยวัตะท่านอาจจะถูกลงทันอย่างหนักท่าง น, นี้ก็เพราะข้าพเจ้าเป็นต้นเหตุต้องหาทางแก้ไขก่อนที่เรื่องจะลุกลามใหญ่โตไปกว่า น, นี้เราต้องป้องกันเอาไว้ลีลาวดีป้องกันยังไง ต่อไปนี้ท่านเลิกมาหาข้าพเจ้าเรวตตาเขาพูดอย่างนี้ได้ยังไงเรวตตาพูดได้ยังไงเป็นหนทางเดียวนะนิลาวดีที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องรายขึ้นท่านจะได้มาเยี่ยมข้าพเจ้าอีกเลยฉันทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกทาไมไม่ได้ใช่ฉันทําไม่ได้อย่างอื่นฉันทําได้หมด แต่จะให้ฉันงดมาหาเธอฉันทำไม่ได้เธอจะไม่ให้มาหาเธอฉันตายฉัดีกว่าเธอคิดจะไงเลยว่าจึงไม่อยากให้ฉันมาเธอรังเกียดลีลาวดีแล้วเหรอเธอไม่อยากคบหาสมาคมกับลีลาวดีแล้วใช่ไหมมิได้ลีลาวดีท่านอย็กเพิ่งเข้าใจผิดข้าพเจ้าไม่ได้หมายอย่างนั้นโดยใจจริงแล้วข้าพเจ้าอยากจะอยู่ใกล้ๆท่านตลอดเวลาการได้พบหน้าท่าน ได้พูดคุยกับท่านคือความสุขของข้าพเจ้าแต่ที่อยากให้งดการมาในขณะนี้คือเพื่อป้องกันเหตุร้ายไว้แต่ต้นมือเท่านั้นเมื่อเรื่องเงียบหายไปแล้วเราอาจจะพบกันอีกได้ตามเคยงดเพียงชั่วคราวเท่านั้นเอาเถอะขอให้เป็นหน้าที่ของฉันก็นแล้วกันเรื่องนี้เธออยู่เฉยฉันยมีคนจัดการเองท่านจะจัดการด้วยวิธีไหนจะไม่ปอยข้าพเจ้ารู้บ้างเลย อย่าเพิ่งรู้เลยต่อไปเธอก็จะรู้เองฉันไปก่อนละ่ะลีลาวดีและฉันจะลงมาหาเธอเหมือนอย่างเคยข้าพเจ้าจะรอคอยว่าแต่ท่านไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นฉันจะต้องลงมาลีลาวดีเดินดุมดมุไม่ยอมเดี๋ยวหลังหายไปในความมืดถ้าทางพวกเธอนหน้าสงสารเรื่องร้ายกำลังจะเกิดขึ้น เกิดขึ้นกับเราไม่เคยนึดกลัวเลยแต่ถ้าเกิดขึ้นกับลีลาวดีนั่นสิร่างบอ บ, บางหัวใจน้อยๆจะทนกับความเจ็บปวดไว้เลยเอ๊ะสียงร้องไห้ดังมาจากปราสาทใครเป็นอะไรอ่ะหรือว่าลีลาวดี จะลงมาหรือเปล่านะครานี้ก็เลยเวลาที่นางเคยมาเป็นนานแล้วหรือว่านางจะมีมาแต่เมื่อคืนนี้เองนางบอกว่าถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะต้องมาให้มีสิ่งใดมาขัดขวางความต้องการของนางได้แต่ว่านางจะมาหรือไม่มาก็ตามก็จะอยู่รอคอยตลอดทั้งคืนนี้เรื่อแต่ ลีลาวดีโอข้าพเจ้าดีใจที่ได้พบท่านก่อนหน้านี้ใจหดหู่คิดว่าท่านจะไม่มาให้เห็นหน้าอีกแล้วฉันบอกเธอแล้วก็ต้องมาเพียงแต่ว่ามาท้าไปหน่อยเท่านั้นให้ช้ากว่า น, นี้ก็คอยได้ข้าพเจ้าตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่รอคอยท่านตลอดทั้งคืนนี้มีอะไรหรือเปล่าลีลาวดีเธอคิดว่ามีอะไร ถระทางท่านเศร้าหมอกว่ทุกครั้งมีอะไรบอกข้าพเจ้าได้ไหมถ้ามีแล้วจึงจะบอกเธอนี่ก็มีแล้วทําไมถึงไม่บอกล่ะเป็นเวตาลบอกมาเถิดข้าพเจ้ากําลังคอยฟังอยู่แล้วเธอเห็นเป็นยังไงกับโลกนี้น่าอยู่มะหลีลาพอดีฉันต้องการคําตอบจากเธอสําหรับข้าพเจ้าไม่ว่าโลกไหนก็ตาม ถ้ามีลีลาวดีอยู่ด้วยแล้วน่าอยู่เทั้งนั้นที่เธอพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงเลยว่าตะความหมายของข้าพเจ้ามีอยู่ว่าเอออะไรนะเ่ะอข้าพเจ้าไม่กล้าบอกทาไมไม่กล้าข้าพเจ้ากลัวจะผิดหวังข้อสําคัญกลัวท่านจะโกรธนอกจากว่าจะได้รับประกันจากท่าน ว่าจะไม่ถือโทษโกรธเคืองแล้วนั่นแหละข้าพเจ้าจึงจะบอกบอกมาเธอสำหรับเธอฉันไห้อภัยทุกอย่างจริงนะฉันไม่เคยกลัวหกเธอเลยถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าจะบอกเดี๋ยวนี้เรลาวดัดีข้าพเจ้ารับท่านเรว่าตาก